การปฏิบัติธรรมนะครับสิ่งสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือคือเลือกของการการวางใจถ้าถ้าเราวางใจถูกเนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่ง่ายนะแต่ถ้าเราวางใจผิดเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันมันจะยากเลยแล้วก็นะ แล้วก็อาจจะไม่ได้ผลเลยนะถ้าเราวางใจไว้ผิดนะแต่ถ้าเราวางใจไว้ถูกเนี้ยการปฏิบัติธรรมเนี้ยมันมันจะง่ายมากแต่กว่าจะเข้าใจเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการวางใจให้ถูกเนี่ยคนส่วนใหญ่ ก, สญก็ส่วนใหญ่ก็คือวางใจผิดกันทนั้นแหละนะวางใจผิด เช่นบางทีเราก็อยากจะได้ผลเนาะปฏิบัติธรรมก็อยากจะอยากจะได้ผลของการปฏิบัติธรรมเร็วๆเนาะอยากจะบรรลุธรรมอยากจะพ้นทุกข์อะไรนะหรือบางคนก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ก็อยากจะอยากจะบางคนก็ไม่เข้าใจก็ไปคิดว่าปฏิบัติธรรมแล้ว ไปได้อย่างอื่นนะไปเห็นสวัรนรกไปเห็นจิตใจคนอื่นนะมันอันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดไปเลยบางทีไอความอยากนี่แหะนะนะไม่ว่าเป็นความปรารถนาทางนะทางพ้นทุกข์เลยนะหรือว่าความปรารถนาในสิ่งที่เป็นนะเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารเป็น คุณวิเศษของจิตใจเน่ะนะนะมันเป็นตัวทําให้เราปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ผลนะคําว่าปฏิบัติธรรมแล้วเกิดผลคือนะเข้าใจความจริงแล้วก็พ้นทุกจริงๆนะนะเพราะว่าถ้าเราอยากมากนะเราก็จะปฏิบัติธรรมด้วยความเครียดผมเคยไปสอนหลายที่นะอไปสอนหลายที่ก็จะเจอบางที ในแต่ละคอร์สบางทีก็จะมีนักปฏิบัติธรรมในหลายๆรูปแบบนะมีครั้งหนึ่งเคยไปตอนที่เมืองจีนน ะ, อะอพอวันสุดท้ายตอนรายงานผลการปฏิบัติธรรมนะก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะเ็าบอกมาพูดเนะี่ยผมมาเข้าคอรนะ์สเนี่ยผมกะว่าแปดวันเนี่ยผมจ ะ, ะเป็นพระอรหันต์ให้ไดนะ้ผมจะพ้นทุกข์ให้ได้นะแล้วก็สังเกตอยูอ่เขาก็ปฏิบัติแบบ แบบเอาจริงอาจาังนะเอาจริงอาจังเคร่งเครียดมากนะไม่ผ่อนคลายนะแต่พอวันกล้กรรมนะนะพอวันที่จะรายงานว่าเนี่ยเขาเขาก็รู้สึกผิดหวังนะผิดหวังที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะว่าแปดวันนี้นะจะบรรลุธรรมให้ได้นะกลับไม่บรรลุธรรมนะเขาผิดหวังไปบ้างนะ แต่มันก็คงเป็นบทเรียนให้เขาเห็นว่าแล้วก็บอกเขาว่าเราตั้งใจแบบนั้นมันตั้งใจไว้ผิดแล้วเนาะเรากะว่าเพียงแค่เวลาไม่กี่วันเนี่ยจะทําให้เราเป็นพระอรหันต์เลยเหรออันนี้เรียกว่าคาดหวังสูงนะ่ะแต่ไม่ประเมินว่าอตัวเองว่ามันทําได้จริงหรือเปล่านะ อีกอย่างหนึ่งมันก็คาดหวังผิดได้แหละนะเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมนะแม้เราจะรู้ว่าจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมคือเพื่อตรงนั้นนะคือเพื่อความพ้นทุกข์แต่ที่จริงแต่ในการปฏิบัติจริงๆคือให้เราทำแบบไม่คาดหวังมาต่างกันนะแม้เราจะปรารถนาถึงนิพพาน ปัถนาถึงความพ้นทุก์หรือว่าทุก์ให้น้อยนะ่ะอันนั้นคือความปัถนาเนี่ยคําว่าความปัถนาจริงๆหรือว่าคําว่าก็คือความตั้งใจนั่นแหละครับนะปัถนาก็คือความตั้งใจนะเราจะทําความเพียรให้ต่อเนื่องจนทั้งไปถึงสิ่งที่เราตั้งใจนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าปัถนาเนาะปัถนาในภาษาไทยเนะี่ยมัน มันเหมือนคล้ายๆมันกลายเป็นเหมือนความความอยากนะปาถนาคือความอยากนั่นแหละอยากจะได้นะสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือที่จริงอย่างควาว่าอธิษฐานก็เหมือนกันอธิษฐานภาษาบาลีเนี่ยที่จริงแปลว่าการตั้งใจนะการตั้งใจมั่นอย่างเช่ น, นอีกไม่กี่วันนะพระ ก็จะอธิษฐานเข้าพรรษานะก็คือว่าการอธิษฐานว่าจะอยู่จำพรรษาในอาวาสนี้ในวัดนี้นะนะจำนวนสามเดือนต่อเนื่องนะไม่ไปที่ไหนนอกจากมีเหตุจำเป็นอะไรนะคืออธิษฐานก็คือความตั้งใจนะ่แหละนะตั้งใจจะทำอะไรก็คืออธิษฐานนะแต่คนไทยเราอธิษฐานก็คือขอนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะ ช่วยบุดดลบรรดาลให้นะแล้วก็คือเราทำบุญก็อธิษฐานนะอธิษฐานก็คือขอแต่จริงนะทําบุญแล้วอธิษฐานก็ถูกนะนะคืออธิษฐานว่าตั้งใจว่าบุญกุศล น, นี้นะ่ะเป็นไปเพื่อนะให้เข้าถึงความพ้นทุกข์อะไรเนะี้ยตั้งเรียกว่าตั้งจุดหมายของชีวิตนะตั้งจุดหมายของจิตนะตั้งใจแบบนั้นทําได้นะแต่ไม่ใช่ ตั้งไว้แล้วก็ทําด้วยความอยากเราตั้งเป้าหมายไว้เหมือนคล้ายๆเรากําหนดเข็มทิศนะครับเช่นเราจะเดินไปทิศเหนือเนา ะ, ะเราก็มีเข็มทิศชี้เป้านทิศเหนือไว้เราเดินไปแต่แต่ละขณะเราก็ตรวจสอบนดูเข็มทิศของเราว่าเข็มทิศของเรามันตรงไปทางทิศเหนืออยู่ไหมนะ เพราะที่จริงนะถ้าเราแม้แต่ถ้าเราคาดเคลื่อนจากทิศเหนือเพียงแค่เรียกว่าหนึ่งองศานะมันก็ทำให้แบบมันก็ไม่มันก็ไม่ถูกเป้าหมายนะในเส้นทางที่เราเดินก็ได้นะแต่ถ้าเราคอยตรวจสอบนะเข็มทิศอยู่บ่อยๆนะมันก็จะทำใหนะ้เป้าหมายของเราไม่คาดเคลื่อนคำนะว่าตรวจสอบเป้าหมายของเรา ทำแบบไห น, น, นก็ปฏิบัติธรรมจริงๆเนะี่ยมันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความไม่ทุกข์ถ้าขนาดที่เราปฏิบัติธรรมแล้วมันมันแบบจิตใจมันทุกข์มากเนี่ยแ่ลงว่าเราปฏิบัติผิดแล้วน ะ, นะหลายคนเนี่ยปรารถนาความไม่ทุกข์ความพ้นทุกข์แต่ใช้ชีวิตอย่าง อย่างเรียกว่าทุกข์มากๆานะสุขยากทุกข์ง่ายน ะ, นะคือสิ่งที่เขาปัตถนากับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันตรงข้ามกันมันก็เลยไม่ได้ผลคือเหมือนคนที่บอกอยากจะพ้นทุกข์นะอยากจะได้นิพพานนะแต่พอปฏิบัติธรรมด้วยความเครียดนะความจริงจังนะจะมุ่งเป้าเอาให้ได้เนี่ยเราก็ทำด้วยความทุกข์ นะขนะที่ทํามันทําด้วยความทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์สิททีสิอันนี้แหละมันเรียกว่าเป็นเป็นอัตตกินมทฐานุโยกอย่างหนึ่งเลยนะครับนะไม่ใช่ว่าเพียงแค่อดข้าวอดน้ำนะกา้นมหายใจคือการทรมานทรมานตนนะอันนั้นก็ทรมานตนทางทางร่างกายแบบสุดโตง่งแต่จริงเราทาด้วยความทุกขนะ์ มันเป็นการทรมานใจครับทรมานใจนทรมานก็คือทำใจตัวเองให้มันทุกข์นั่นแหล ะ, ะจริงเมื่ อ, อไรที่เรารู้ตัวว่าเออเราเราเคร่งเครียดเกินไปนะจริงจังเกินไปนะเราก็ผ่อนคลายขึ้นสักหน่อยผ่อนคลายขึ้ น, นทำนะทาเล่นๆนะทำเล่นๆแต่รู้จริงๆนะนะ ทำเล่นๆเนี่ยไม่ใช่แ่บทำแบบแนวแนวสนุกสนานน ะ, นะเล่นทำไปหัวเราะไปขี้เกียจก็พักอะไรไม่ไม่ใช่เล่นๆแบบนั้นครับทำเล่นๆก็คือว่านะจิตใจผ่อนคลายสบายๆนะแต่ก็รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยทำเล่นๆคือทำอย่างนั้นที่จริงทำเหมือนคล้ายคล้ายเราเดินเล่นนะคล้ายๆเราเดินเล่นในที่สาธารณะครับในสวนสาธาระ เราเดินเนี่ยอิสยาบทการเดินเวลาเดินอยู่กับใต้ต้นไม้นะในที่อากาศดีๆนะในที่ที่แบบไม่มีการงานยุ่งเหยิงมากเนี่ยการเดินของเราจะผ่อนคลายมากะเดินไปเรื่อยๆนะเดินทีละก้าวก็ไม่ได้รีบร้อนไปที่ไหนใช่ไหมครับนี่ยถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเราทําตัวแบบนั้นเหมือนเดินเล่นๆแบบนั้นเดินเล่นๆแต่เพียงแต่ว่า การเดินเที่ยวนะมันก็อาจจะส่งใจไปดูที่นั่นที่นี่ดูคนดูต้นไม้ดูนกดูนะบิวชิวทัดไปแต่เราเดินแบบนะั้นเดินแบบผ่อนคลายเล่นๆสบายๆแบบนั้นะแต่พี่นายว่าเปลี่ยนการดูนะแทนที่จะไปดูข้างนอกนะเราย้อนกลับมาดูตัวเราที่กำลังเดินอยู่เหนะมือนที่เราสวด เมื่อเดินอยู่เราก็รู้ตัวว่าเดินอยู่แต่จริงการรู้ตัวว่าเดินอยู่นะที่จริงมันก็ยังมากไปนะคือเดินอยู่ก็แค่รู้สึกนั่นแหละก็แค่รู้สึกนะแต่ทำอะไรก็เหมือนกันก็แค่แค่รู้สึกนะแต่ก็พูดเป็นภาษาให้เข้าใจว่าเดินอยู่นะก็ให้เรารู้นะรู้ว่าเดินนะแต่จริงมันไม่มีเรานะที่จริงถ้าจะแปลให้ถูกจริงๆ โ ด, โดยภาษาธรรมนะแต่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้ภาษาบาลีก็ไม่กล้าไปแก้แบบพารักการว่าที่ <c oughs> ที่บาลีนะก็ขเขียนมาแบบนี้นะคนที่เขาแปลมาก่อนเขาก็แปลแบบนี้นะว่าเมื่อเดินอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าเราเดินอะไรนะนะเมื่อนั่งอยู่ก็ให้รู้ชัดว่าเรานั่งอะไรนะเพราะที่จริงถ้าภาษาธรรมจริงๆ มันไม่มีเราเข้าไปเป็นผู้ผู้เดินผู้นั่งหรอกนะมันเป็นเพียงแค่นะมีสติรู้นะรู้ถึงอิเดียบทนะ์คือรู้โดยโดยที่ไม่ได้ไม่มีตัวเรานะนะถ้าถ้าแบบรู้สึกไหวที่ทำมันเป็นเราอยู่นะมันก็ยังไม่ใช่การรู้จริงๆนะแต่มันเป็นเพียงแค่ที่จริง กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะตัวสำคัญที่จะก็คือว่าเป็นเพียงแค่การะระลึกรู้ครับคนะนะือจะยืนเดินนั่งนอนหรือว่าอิเดียบทย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวนะในตอนท้ายเนะี่ยเขาก็จะสรุปว่านะอิเดียบทต่างๆก็เพียงแค่เป็นเครื่องอาศัยให้เกิดการะระลึกรู้นะ ระ ล, ลึกรู้ว่ายัางมีกายอยู่ในโลกนี้นะคือเป็นเครื่องระ ล, ลึกรู้เฉยๆนะเป็นเครื่องปลุกให้เกิดการรู้ตัวว่ากายยังอยู่ตรงนี้นะยังอยู่ในโลกนี้นะพอถ้าเราไม่ได้รู้กายนะจิตใจก็จะท่องเที่ยวไปในในความคิดตนะ่างๆนะคำ ว, ว่าท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีเนะี่ย ที่เราได้สวดมนต์ทําวันเนี่ยเราจะไปคิดว่าพบน้อยพบใหญ่คือนู่นตายไปแล้วไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่นะเกิดดีบ้างเกิดไม่ดีบ้างที่จริงความหมายที่จริงคือเนี่ยแหละเราวนเวียนอยู่ในความคิดอยู่ในอารมณ์แบบนั้นนะวันวันหนึงเนี่ยไปเกิดเป็นพบน้อยพบใหญ่เยอะแยะมากมายเนะเดี๋ยวก็อเดี๋ยวก็ใจบุญนะ ก็เป็นเทวดาเป็นนางฟ้านะคิดช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะออใจมีเมตตานะก็เกิดเป็นพรมนะใจเอสงบล่มเย็นก็เป็นพรมแต่บางครั้งก็ไม่พอใจนะก็เป็นยักษ์เป็นอสูรกายแล้วนะบางครั้งก็หลงนะก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนะบางครั้งก็เออ่หมก มุ่นกับความพยาบาทความโกรธมากๆก็ตกนรกแล้วนี่น่ะคือการเขาไปตกอยู่ในพบน้อยพบใหญนะ่ถ้าภาษาธรรมจริงนะพบน้อยก็คือตกสักเดียวพบใหญ่ก็คือตกนานน ะ, ะเวลาโกรธพยาบาทเนี่ยโอ้เวลาเครียด ม, มันเครียดนานนะเป็นหลายชั่วโมงเป็นหลายวันเลยนะ อาจจะไม่ให้ต่อเนื่องแต่แต่มันทรงๆกับอาการพวกนั้นอยู่นานเลยเวลาเจอความทุกข์มันทุกข์นานะตกในพบใหญ่ละนะพบกับความทุกข์นะพบน้อยก็คือตกสั้นแั๊บหน่นะตกสั้นแป๊บหนึ่งนพบภูมิจริงๆคือเรื่องของจิตใจนี่แหละครับนะอะไม่ใช่ว่าตายไปแล้วไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่นะอาจจะมีจริงนะแต่ไม่ใช่เรื่อง มันไม่ใช่เรื่องในการปฏิบัติตอนนี้นกะารปฏิบัติจริงๆคือตอนนี้คือเดี๋ยวนีนะ้ถ้าเราตกนรกก็ตกเดี๋ยวนี้ถ้าเราขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะไปนิพพานจริงๆก็คือเดี๋ยวนี้นะนั้นความตั้งใจความปัตนาจริงๆเนะี่ยคือการทําเดี๋ยวนี้นะทําตอนนี้นะให้ถูกที่สุดให้ดีที่สุดแค่นี้แหละนะนะเรามีเป้าหมายนะแต่ ที่จริงเป้าหมายกับวิธีการปฏิบัติต้องสอดคล้องกันครับอนยะ่านะที่ว่าเป้าหมายของเราคือความพ้นทุกข์คือนิพพานเราเองก็ต้องทํานะทําความพ้นทุกข์ตอนนี้นะทํานิพพานให้ปรากฏตอนนี้นะเครื่องมือที่จะทําให้นิพพานปรากฏความพ้นทุกข์ปรากฏก็คือเนี่ยแหละคือความรู้สึกตัวเนี่ยแหละนะนะพอเรากลับมารู้สึกตัวสังเกตไหม เพียงแค่กลับมารู้สึกตัวนะจิตใจก็เป็นปกติแล้วนะไม่ต้องอะไรมากขนาดนะั้นแค่เรารู้สึกตัวไม่ว่าจะรู้สึกกายก็ดีใจก็เป็นปกติแล้วนะหรือเวลาเรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์นะลุดออกมาจากความคิดหลุดจากอารมณ์ได้นะใจก็เป็นปกติแล้วนะใจก็ไม่ทุกข์แล้วนะ แบบนี้เรียกว่าเราทําถูกแล้วนะในแต่ละขณนะนี่แหละคือเราจะเราจะไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้เราก็ต้องทําเป้าหมายย่อยๆในแต่ละขณะนี่แหละให้ให้มันถูกต้องเพ่ยงเหมือนคนอยากจะมีเงินสักร้านหนึ่งนะเขาสมมุติเขาคขาหมกเป้าหมายเราก็ต้องเริ่มจากการเนี่ยสะสมเงินทีละบาททีละสิบบาทนะทีละร้อยไปเรื่อยๆนะ ถ้ามันเงินอะสะสมไปเรื่อยมันก็ถึงเป้าหมายได้นะมันก็คือไม่ใช่คนปฎิฐานาจะได้เงินนะแต่ไม่รู้จักเก็บเงินรู้จกกักดใช้เงินมันก็ไม่ได้นะเหมือนคนปฎิฐานาความพ้นทุกข์แต่ที่ทํำจริงๆก็คือทําโดยให้มันทุกมาทำตรงข้ามกันใช่ไหมนั่นแหละคือบางทีนัปฏิวัติทำบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเราต้องแบบทําแบบจริงจังต้องทําแบบ คิดเครียดสักหน่อยนะนะเดี๋ยวพอมันเครียดมากๆเลยมันดีเองน ะ, นะอันนี้มันก็มันก็ผิดเนาะแต่ก็ต้องตั้งใจนิดนึงนะครับนะตั้งใจสักหน่อยนะไม่ไม่อถ้าไม่มีความตั้งใจเลยมันจะมันจะย่อนไปง่ายไม่ไม่ก็อาจจะต้องตึงนิดนึงนะตึงหมายถึงว่าตั้งใจสักหน่อยนะขยันสักหน่อยนะอดทนสักหน่อยนะ หรือว่าแบบประมาณว่าบางทีก็ความอยากมันเกิดขึ้นมาก็าหยับขึ้นไปยอมแพ้กันมาสักหน่อยนะสู้มาสักหน่อยนะแต่ก็ไม่ใช่แบบตึงเกินไปเครียดเกินไปนะตึงนิดนึงเพื่อจะได้รู้ว่าเออไอตัวนี้มันเป็นกีเรสนะมันลากไปบางทีเราก็แยกไม่ออกนะเวลาง่วงนอนเนี่ย ให้มันเป็นความง่วงของกายหรือเป็นความง่วงของใจเนาะมันบางทีมันแยกไม่ออกนะถ้าเราไม่ตึงนิดนึงทีบางคนก็แบบใจเสะนะาะเนาะก็แบบอืมมันง่วงแล้วสงสัยร่างกายนอนไม่พอสงสัยไม่สบายนั่นนี่คก็ไปเลยไปทําตามความง่วงหรือเดินนะมันเมื่อยแล้วปวดขาปวดอะไรไปหมดอมืเดอะมันทรมานกายเกินไปเนาะนะ่ไปพักผ่อนดีกว่านนะ แต่อย่างนั้นนะมันก็บางคนแบบประเภทแบบนักสบายเกินไปหรือว่าอ่อนแอเกินไปนะก็ต้องตึงนิดนึงนะเอนะเพราะไม่งั้นมันก็จะทําตามความคิดทําตามความอยากไปเสียทั้งหมดนะนะแต่เราตึงไวเพื่อจะเห็นว่าอ้อถ้าเราอยู่กันมาต่อได้จริงๆบางทีเราก็จะเห็นว่าความง่วงมันเกิดขึ้นมาก็ดับไปนะความคิดเกิดขึ้นมาก็ดับไปนะ เพื่อให้เห็นนะไม่ใช่ว่าเพื่อทรมานน ะ, นะแต่เราจะเห็นอ้อที่จริงมันสามารถเห็นความคิดเกิดดับได้เห็นอารมณ์ต่างๆเกิดดับได้เห็นถึงความไม่เที่ยงของมันนะมันเมื่อยล้ามากๆเฮ้สักพั ก, กหนึ่งพอเราผ่อนคลายสักหน่อยเดินสบายขึ้นเฮ้มันก็มันก็ดีขึ้นนะไอ้เนี้ยนะเห็นความทุกข์มันเกิดดับของมันก็มีนะเยอัน น, นี้คือ เราะเราตั้งใจเราอดทนสักหน่อยเพื่อจะได้เห็นของดีประมาณนะั่นแหละแต่ไม่ใช่ไปรอลุ้นนะอนะ่ก็ดูไปแต่ละขณะนี่แหละแล้วมันก็จะเห็นของมันเองครับนะก็จะเห็นของมันเองนี่คือความอยากเนาะนะเราก็แต่บางทีมันก็อดจะเพลอไม่ได้หรอกพอทําปฏิบัติเยอะๆนะบางทีจะความอยากมันจะค่อยๆสะสมขึ้นมาอย่างผมเองก็แบบก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์เตือนแบบนี้นะ แต่บางทีพอเก็บอารมณ์อะไรแบบนะี้โอ้ไปคล้ายของมันขึ้นนะความยากมันขึ้นตอนปฏิบัติธรรมดาเนี่ยเราก็วางใจได้ว่าถ้าทําเรื่อยๆทำเรื่ น, นไปแต่พอปฏิบัติแบบต่อเนื่องอย่างเช่นเก็บอารมณ์เนี่ยอมันความยากมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้บบจะเอาให้ได้นะจะบรรลุ์ทําตอนนี้ให้ได้เนะมันก็มาหลอกเรานะแต่พอเราเห็นโอ้มันยากมันทุกข์ ทุกจริงๆนะเวลายากมากๆนี่ยมันทุกนะมันทุกไม่ใช่คนอื่นทําเราทุกนะเราทําตัวเองทุกนะพอเห็นว่าอ๋อที่จริงพอกลับมาทวนเห็นเออเราเป็นบ้าเราเลยเนี่ยเราอยากจะนะบ น, <ะ S 2> นรลุธรรมตอนนี้เลยเะรอ <นะ S 2> อย่างแต่ก่อนนะเวลาวันสําคัญอย่างเช่นวันวิสาขบูชาอะไรนะหรือบางทีวันเกิดของเราเนี่นะโอ้เราก็อยากจะแบบเรียนแบบพระพุทธเจ้าแบบนี้เนาะ อยากจะบรรลุ ธ, ธรรมอ่อมันก็พอทํำแบบเนี้ยว่ามันมันทุกข์จริงๆนะแต่ก่อนก็ไม่เคยคิดขนาดนั้นนะแต่พอปฏิบัรรติรำต่อเนื่องจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาแต่มันเหมือนเราเดินไปชนกําแพงครับเลยเข้าไปในซอยนะซอยตันนะมันยากสุดๆนะมันไปต่อไม่ได้นะหรือมันเราขุดดินนะขุดดินแล้วไปเจอหินมาไปต่อไม่ได้มีแต่ต้องถอนออกมานะ เราก็มือเรามีแต่จอบนะหินมันใหญ่มากนะเราขุดไปเจอหินเนะี่ยขุดต่อไม่ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันพออยากม า, มากๆแล้วมันตันขึ้นมาเนี่ยต้องถอนครับต้องถอยเลยต้องเปลี่ยนอ่ต้องเปลี่ย น, ออ เ, ยนเอ้ิต้องทิ้งความอยากนะเสียนะแต่มันก็ดีนะพอพอมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปมันก็จะค่อยๆรู้ตัวแล้ว oh. เออเออมันเริ่มเข้าเข้า เขาล็อกเบิ่มความวันอีกด้านตกล่องเนี่ยแล้วนะตกล่องความอยากได้แล้วนะมันก็ถอนออกมาเนะี่ยมาวางใจใหม่นะเวลามันอยากนะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากเอาอะไรต่างๆเนะี่ยอมันคือที่จริงก็คือเหตุของความทุกข์นี่แหละครับนะแต่เราต้องทําแบบเรียกว่าเนทําแบบไม่ได้หวังผลอะไรนะทําแบบไม่ได้อยากได้อะไร ทำไปเพียงแค่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ไม่ใช่ความอยากได้นะรู้สึกตัวก็คือก็คือความก็แค่รู้สึกไม่ใช่ว่าอยากอะไรนะไม่ใช่อยากได้ความรู้สึกตัวนะก็แค่รู้สึกรู้สึกไปทีลกษณะนี่มันคือทำไปแบบนั้นนะครับนี่มันเหมือนทำแล้วมันจะได้อะไรแล้วก็ถ้าคนคิดว่าทำแล้วจะได้อะไรจริง เพราะที่จริงปฏิบัติธรรมไม่ทาเพื่อจะได้อะไรนะครับที่จริงทําเพื่อเพื่อสระนะทาเพื่อละอะหรือทําเพื่อลดน อ, อลดอะไรนะลดนอลดแรกๆ ก, ก็ลดเนี่ยลดราคะโทสะโมหะนะสละอะไรนะถ้าเรากาลังมากขึ้นเราก็สระเลยรนะ สละเนี่ยลาความเห็นผิดเอาไปจากใจนะก็กลายเป็นความเห็นถูกสละความยึดมั่นถือมั่นนะมันก็เกิดการปล่อยวางน ะ, นะที่จริงปฏิบัติธรรมจริงนะทาไปเพื่อเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิ่อนเพื่อคลายความเห็นผิดต่างๆนั่นแหล ะ, ะที่จริงทําไปเพื่อตรงนี้นะครับนะคือการปฏิบัติธรรมจริงถ้าเราทาเพื่อจะเอาเนี่ยมัน มันไม่ใช่ละพระเจ้าจริงท่านทำเพื่อเพื่อเพื่อสาระเหมือนช่างแกะสลักนะครับเหมือนช่างแกะสลักเขาแกะนะแกะส่วนที่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการออกเช่นเขาจะแกะสลักพระพุทธรูปนะเอเขาก็แกะนะในส่วนที่เขามองแล้วไม่ใช่เป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปออกมันก็กลายเป็นเพียงแค่พระพุทธรูปที่เขาต้องการนี่คือ เราก็สละนะสละความตนีที่เหนียวออกไปสละความโกรธความโรคความหลงออกไปสละความยึดมั่นถือมั่นออกไปนะี่แหละคือทาเพื่อตรงนี้ครับนะเราจะสละได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นมันก่อนเหมือนเรากวาดบ้านเหมือนเราถูบ้านนะถูพื้นกวาดพื้นนี่แหละนะเราก็ต้องเห็นฝุ่นเห็นฝิ่นตะกใช่ไหมเราก็ใช้ไม้กวาดกวาดหรือว่าถูกออกไปนะ ปุ่นมันก็จะค่คอยๆติดไม้กวาดน่ะกวาดออกไปมันก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆตรงไหนที่เรากวาดตรงไหนที่เราถูมันก็สะอาดขึ้นใช่ไหมบางอย่างเราก็เห็นเราก็กวาดออกบางอย่างเราไม่เห็นนะมันเล็กๆนะแต่ไม้กวาดมันก็ทําหน้าที่ในการกวาดนะไม้ถูพื้นมันก็ทําหน้าที่ในการถูปุ่นมันก็สะอาดออกไปเนี่แหละคือเราภาวนาไปเรื่อยมันจะเห็นเห็น เห็นกิเลสเนี่ยหล ะ, ะอยที่ว่าเห็นกิเลสเห็นตัวตนเห็นอัตตามานะเห็นความยึดมั่นถือมั่นเห็นความสำคัญที่จริงก็คือเห็นความไม่รู้ในตัวของเราเองแต่ก่อนเราคิดว่าเรารู้ภาวนาไปจริงเห็นความไม่รู้เยอะแยะมากมายคำว่าไม่รู้ก็คือรู้ไม่จริงนั่นแหละครับ คิดว่ารู้แล้วแต่จริงมันรู้ไม่ถูกรู้ไม่จริงอะไรนะมันก็จะเห็นเมืเออ่อ เ, เห็นแล้วเราก็จะรู้คล้ายๆเหมือนเราทํางานใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่าเราทําผิดพลาดแบบไหนเรายังรู้ไม่จริงตรงไหนอ๋อเราก็จะมีความก้าวหน้าในการทํางานได้เราก็จะแก้ไขข้อผิดพลาดของเราเนียแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหนเนะี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราพลาดตรงไหนเนะี่ย มันก็จะแก้ยากว่ะครับนี่ก็เหมือนกันเราก็จะเห็นกิเลสในใจของเราเยอะแยะมากมายนะเห็นความไม่รู้เห็นความรู้ไม่จริงในใจเยอะแยะมากมายนะเห็นความยึดมั่นนะเห็นอัตตานะตัวตนนะนะเห็นมานะนะความถือตัวถือตนนะนะีนะ่นะคือเห็นตัญหาคือความยากนะ ความไม่อยากต่างๆอะนะเป็นตัญหาน ะ, นะมันจะเห็นเห็นแล้วมันก็จะสลระออกไปได้เรื่อยนั่นคือภาวนาไปเพื่อเ น, นี้ยเห็นความเห็นความเห็นผิดเห็นความไม่ดีแล้วก็รู้ทันแล้วก็สละไปรู้ทันแล้วก็สะระไปเนี่ยเราทําตรงนี้เนาะอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการวางใจก็คือว่าการวางใจให้ให้เป็นผู้ดูนะเป็นสิ่งที่สําคัญมาก อะไรจะเกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็แล้วก็แค่ดูมันนะบางคนความคิดเกิดขึ้นมาไม่ชอบอ่าบางทีเอ๊ะทำไมมันฟุ้งซ่านเหลือเกินไม่ชอบนะบางทีมีนักปราัติธรรมบางคนนะเอหลวงพ่อคำเขียนเคยเล่าให้ฟังตอนตอนท่านบวชใหม่ๆนะมีหลงตานะเดินจงกรมอยู่ข้างๆกุฏิหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อก็ได้ยินเสียงเปี้ย เลี้ยเี้ยอะไรน้นอนลวพ่อก็หันไปดูหลวงตาเอาเอารองเท้าแตะนะมาตีหัวตัวเองนะหลวงพ่อก็ถามหลวงตาเอารองเท้าไปตีหัวตัวเองทําไมนะหลวงตาก็บอกมันคิดมากมันคิดมากมันฟุ้งซ้านมากนะหลวงตาคิดว่าอีกความสมองนะ่ะมันทาให้เกิดความคิดมากเลยสั่งสอนมัน เราลองทาแตะตีหัวมันทั้งไหนตีมันทั้งไหนอาจจะเหมือนเด็กนะมันดื้อแล้วก็ตีนะมันจะได้เงียบเนี่ยแต่ที่จริงมันเป็นความหลงนะเป็นความหลงคือเราไปหลงไม่พอใจน ะ, ะไปโกรธมันแต่จริงความคิดถ้าเรามองตักแต่ว่ามันคิดเราได้สติแล้วนะครับนะแต่ถ้าเราวางใจผิดนะ เราไม่ชอบความคิดเนะี่ยเราก็จะไปไปไปตำหนิตัวเองไปตำหนิความคิดเนาะที่จริงคิดนะมันคิดแล้วเรารู้นะก็ถือว่ามีสติแล้วเนะยิง่งเราภาวนาไปเรื่อยนะบางทีเราทําแบบไม่ต้องข้ามความคิดไม่ต้องข่มความคิดอ่ะครับความคิดมันเกิดขึ้นมาแลเรารู้นะมันคิดเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้นะแค่รู้ว่ามันคิดนะ มันในทีนี้ก็คือแค่รู้ว่าใจมันคิดของมันเองนะรู้แค่นี้นะครับไม่ต้องไปรู้เรื่องราวที่มันคิดไม่ต้องไปรู้แบบเหมือนเป็นเนื้อหาเหมือนเป็นถ้าถ้าเราอ่านนิยายไม่ต้องไปรู้เรื่องนิยายนะแค่รู้ว่าตอนนี้นมันเผลอไปอ่า น, นคล้ายๆประมาณนั้น คล้ายๆเหมือนตอนนี้เราตั้งใจว่าเราจะไม่อ่านหนังสือสมมตินะเ้ืเราเผลอไปอ่านอะไรนิดึเนี่ยเ<ร>นี like so. น hand, ่ยแค่ร <is> ู <Whoo. S 1> ้ต like ัวว่าเราเผลอไปอ่านแล้นะเผลอไปหยิบหนังสือมาอ่านแล้วนะคำสองคาหรือย่อหน้านึงเนี่ยถือว่าเผลอไปอ่านแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดความคิดขึ้นมาเราตั้งใจว่าเราจะไม่คิดนี่เราตั้งใจว่าจะรู้สึกตัวเมื่อมันคิดขึ้นมาเพียงแค่รู้ตัวว่าเอ้ยเราเผลอไปเราเผลอไปคิดกับมันแล้วแค่นี้แหละครับเนี่ย ไม่ต้องสนใจว่าเนื้อหาในเรื่องที่คิดมันคืออะไรเนาะไม่ต้องไปจําแนกแย่แยๆมันแค่รู้ตัวว่าเผลอไปคิดแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วก็คือก็เรียกสติกลับมากลับมาจากความคิดมาอยู่กับความรู้สึกตัวอันนี้แหละครับคือวิธีปฏิบัติเวลามีความคิดมีอารมณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะวางใจเป็นกลางกับมันะ อารมณ์บวกก็ดีนะก็อย่าไปลงอะไรกับมันนะบางทีก็อารมบวกก็เพลินชวนให้เราอยู่กับมันนะเวลาปฏิบัติบางทีมันเพลินก็ไปแช่กับมันเวลามันรู้ธรรมะก็ไปฟุ้งต้านธรรมะกับมันไปเดินเทศทั้งวันก็มีเตรียมเทศก็มีเตรียมสอนคนอื่นก็มีหรือบางทีบางทีระวังนะเวลาใกล้กิดศึก หือเวลาใกล้จะออกจากวัดบางทีโครงการมันเยอะมากนะกลับไปอาจจะไปทํานั่นทํานี่นะส่วนใหญ่ก็ดีๆทั้งนั้นนะครับนะแต่ก็คือมันชวนให้เราหลงไปคิดนะครับนะวางไว้ก่อนดีกว่าไม่นะอย่าเพิ่งคิดเลยนะกลับมาสร้างสติก่อนนะแล้วต่อไปนะเอนะสติมันจะพาชีวิตเราในทางที่ถูกที่ควรเองไม่ใช่ความคิดนะครับนะไม่ใช่ความคิดนะ ความคิดมันอาจจะคิดว่าจะทําจริงๆนะแต่พอถึงเวลาจริงๆมันก็ลืมละหรือบางทีก็เปลี่ยนไปไม่เอาแล้วมันก็เพียงแค่ช่วยให้เราคิดนะนั้นสิ่งสําคัญคือวางใจเป็นกลางกับอารมณ์ครับนะอารมณ์ในที่นี้อารมณ์ทางกายก็ดีนะเวทนาทางกายก็ดีนะหรือว่าอารมณ์ทางใจก็ดีนะเป็นสุขเป็นทุกขนะ์หรือเป็นความคิดน เป็นกุศลไม่อกุศล ต, ต่างๆนะให้เราวางใจเป็นกลางกับมันไม่แต่ความง่วงก็เหมือนกันถ้าใจเราวางเป็นกลางกับมันจริงๆนะมันจะผ่านได้ง่ายนะมันจะอยู่มันเหมือนคล้ายๆอยู่ด้วยกันได้ครับนะคล้ายๆมันจะอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรนะเราไม่เราไม่ไปยุ่งกับมันครับเราพ่อเทียนบางทีท่านบอกท่านอธิบายง่ายๆนะอ่า ทีบาทีท่านบอกเราเคารลบขี้หมาเคารลบขี้หมาคืออะไรเรเห็นขี้หมาแล้วเราไม่ไปเหยียบมันนั่นแหละคือการเคารลบคือถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆว่าเห็นอากัตสนเกิดขึ้นแล้วถ้เาเราไม่ไปหยิบไปช่วยมันไม่ไปแตะมันเนะนี่คือเคารลบแล้ถ้าขี้หมาก็อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่เหม็นไม่ติดตัวนะอันนี้ก็เหมือนกันความคิดถ้าเราเห็นล้นะมันก็จะไม่ติดเข้ามานะอันนี้คือ คำว่าเขารเนะกิเลสก็เขารบนะเขารกแบบนั้นนะเขารบแบบไม่ไปยุ่งกับมันนะให้อยู่คนละที่คนละทางกัน น, ะนี่คือให้เราวางใจให้ถูกเนาะวางใจทั้งความใจที่มันอยากได้อะไรก็นะก็ละกลับมาเสียนะใจที่มันไม่พอใจเวลาเกิดอารมณ์อะไรไม่ดีต่างๆเนาะเราก็ละกลับมาเสียนะ แต่ที่มันหลงไป อ, อยากไปชอบกับอารมณ์ที่พอใจที่ความสุขนะเราก็รักขับมาเสียนะกลับมาเพียงแค่รู้สึกนะสบายๆนะรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วก็สิ่งสาคัญคือทําให้มันต่อเนื่องครับทําให้มันต่อเนื่องนะทุกอิทธนะิบาททุกรูปแบบทุกสถานการณ์นะทําให้มันได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เนะอนะ เราก็ทำแบบนี้นเราถือว่าเราทำเหตุที่ถูกเมื่อทาเหตุถูกผลมันก็ปรากฏขึ้นในตอนนั้นเลยนะแล้วก็ถ้ามาสะสมไปเรื่อยมันก็เกิดผลจิตนะใจเปลี่ยนแปลงนะละได้เด็ดขาดขึ้นนะก็คือมันก็คือผลนะแต่เราไม่ต้องหวังผลดอกเราทำเหตุที่มันถูกนะผลก็ต้องเกิดขึ้นนะเป็นกฎของธรรมชาตินะเป็นกฎที่นะ เป็นธรรมดาเนหะนะมือนเรากินข้าวนะเราไม่ต้องปรารถนาให้มันอิ่มก็ได้เรากินไปเรื่อยๆมันก็อิ่มเองเรานั่งรถถูกนะพ่อบางทีก็บอกเรานั่งรถถูกคันนะนะรถก็พาเราไปถึงเป้าหมายถูกต้องเองนะเราจะติถูกทางนะแต่สติก็จะพาเราไปถูกไปถูกเป้าหมายคือความ้นทุกข์ ได้แน่นอนเนี่ยนะคือก็คือทําให้มันถูกเนาะนะในการวางใจนะเมื่อเราวางใจถูกมันจะปรับร่างกายเองครับร่างกายเนะี่ยถ้าเราวางใจถูกนะมันก็จะปรับร่างกายให้ให้ผ่อนคลายให้สบายๆให้เกิดความรู้เนื้อเรื้อตัวได้บ่อยขึ้นแต่บางทีถ้ามันเครียดจริงจังมากก็ต้องปรับกายก่อนปรับกายให้มันผ่อนคลายนั่นนี่นะจิตใจก็จะผ่อนคลายขึ้นเองนยะก็นะี่นคือปรับ นะวางกายคลาคลายวางใจกลางกลางนะไม่เพ่งไม่จอม้องไม่เครียดอนะนะไม่ได้ทำด้วยความอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากมีนะแต่ทําทดทอความสะเ พ, เพื่อลดเพ่อละเสื่อเลิกนะความยึดมั่นความเห็นคิดตัวตนต่างๆนี่คือการปฏิบัติธรรมเนาะก็ก่อให้พวกเราได้ได้ะลือดไว้บ่อยๆแล้วก็บางครั้งมันก็จะเตือนสติเราในเวลาพลาดเวลาหลงนะนะ ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะักกระตั้งหลักไมนะัก็เอาไม่ <c oughs> ทำสบยสบายๆนะครับ